มาช่ยโลกแต่ว่าวันนี้อยาขอพูดสั้นสักหน่อยเพต้องการให้จบในข้อที่ว่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าจงอยา่าท่านทั้งหลายจงไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายคําว่าธรรมก็คือความดีถ้าเราไม่ประมาทก็หมายความว่าเราปฏิบัติอยู่ในความดีตลอด แต่ต้นจนกระทั่งมาถึงตามที่กล่าวแล้วนั้นเป็นความดีทั้งหมดถ้าคนทุกคนเชื่อองค์สมเร็จพระบรมสุ ข, ขุพและปฏิบัติตามในโลกโลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์ในข้อต่อไปเต่งกล่าวว่าความเคารพหนึ่งความไม่จองห้องหนึ่ง ความยินดีด้วยของอันมีอยู่หนึ่งความมุขอุปการะอันท่านกระทําแล้วแก่ตนหนึ่งอย่างนี้ควรมีแก่ บ, บุคคลทางหลายเมื่อการเคารพคารวะซึ่งกันและกันไม่ได้หมายถึงว่าความเกรงกลัวซึ่งกันและกันเมื่อเราเคารพท่านท่านก็เคารพเราสร้างความประทับใจในความรัก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 เมื่อเป้าอกาศที่เราจะอุปการะท่านได้เราก็อุปการะท่านเป็นนวัตทุกคนในโลกไม่ต้องเลือกเฉพาะ พ, อพอ่ะพอเฉพาะแม่ต่างคนต่างทําความดีสนองซึ่งกันและกันถ้าทําได้อย่างนี้ทุกคนในโลกโลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์ไม่เห็นว่าพระพุทธศาสนาช่วยคนในโลกแล้วได้อย่าง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 นี่เป็นอนุว่าการฟังธรรม <c oughs> การฟังธรรมนี่มันหมายถึงว่าการฟังเทปคือฟังที่คนเขามีความประพฤติดีแล่าพูดถูกต้องมีประโยชน์ทั้งเราและเขาไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ให้คิดประทุษร้ายซึ่งกันและกันให้มีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันต่างคนต่างสงเคราะห์กันต่างคนต่างประพฤติดีประพฤติชอบกหากัน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 แล้วก็จะเห็นว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกแล้อยังหรือว่าพระพุทธศาสนาเกะกะโลกนี่ข้อต่อไปองกล่าวว่าถ้ามีความอดทนแล้วก็เป็นคนว่าง่ายมีความเห็นสมณะทั้งหลายหมายความว่าอะไรสมณานัญจทัศนัง แล้วก็เห็นบุคคลผู้มีความสงบจากความชั่วไอ้คําว่าสมณะเนี่จากความชั่วท่านแปลว่าเรื่อยเฉยแบบมีวาจาจะพูดจาโดยธรรมทั้งหมดนี้เป็นเรื่องดีเรื่องชั่วมาว่ากันทีละข้อเออหนึ่งมีความอดทนต่อความยากลาบาก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 หรือว่านักเรียนนักศึกษาตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาไม่ไปกระโดกกระเดกกระโดกกระเดกไปเดินขบวนที่น่นชมนุมที่นี่สตราที่นั่นมีครูเขาไมา่ไดสอนหรือว่าครูคนใดก็สอนก็ไม่รทราบทําความอดทนในด้านความดีคือเราจะทําทความดีทุกอย่างมันต้องมีอุปสรรคอดทนต่อสู้จนกว่าสิ่งเหล่านั้นจะเกิดผลแก่ตนนี่อย่างหนึ่ง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 วาจาที่กล่าวมาก็เป็นสมโมทนิยกัถาคือเป็นวาจาที่ชอบใจเป็นที่น่ารักอาการกายที่สแสดงออกมาก็น่ารักชื่นอกชื่นใจน้ำใจที่สแสดงออกก็เต็มไปได้วยความเมตตาปราณีนี่เปลว่าต่างคนต่างเป็นอย่างนี้เหมือนกันทั้งหมดในโลกต่างคนต่างไม่มีความชั่วมีแต่ความดี เอาความดีเข้าประสานกันอย่างนี้โลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข์ในข้อต่อไปท่านบอกว่าเจนจาโดยธรรมเจนจาทำโดยการก็หมายความว่าเราจะพูดเราจะจารอะไรก็ตามเราจะไม่กล่าวแต่วาจาที่เป็นโทษสั่งสนทนาการในวาจาที่เป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์ในความชื่นใจเป็นประโยชน์ในการธรรมาหากินเป็นประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันเขาเรียกว่าเจนจาทรโดยการถึงการถึงเวลาบางครั้งบางคราวแล้วก็ไปชุมนุมกันว่าที่พวกเรามีความทุกข์อยู่อย่างนี้มีอะไรเป็นเหตุแล้วเราจะกำจัดเหตุของความทุกนั้นได้ประการใดช่วยกันแก้ไขช่วยกันคิด อย่างนี้่านถือว่าโลกเป็นสุขและว่าโลกเป็นทุกข์แต่คนทุกคนทำได้หมดในข้อต่อไปแทบกล่าวว่าจงทำลายกิเลสให้สิ้นไปหนึ่งจงประพฤติอย่างพรหมหนึ่งเห็นอริยสัจทั้งหลายหนึ่งทำพระนิพพานให้แจ้งหนึ่งแย่ไหม การมีความเพี้ยนเบ่งเพื่องเผากินเลสได้ความกิเลสก็คืออารมณ์จิตที่มันเศร้าหมองมันหมองหมัวอารมณ์จิตชั่วอารมณ์จิตคิดว่าอยากจะรักจะขมโมยเขาอารมณ์จิตที่คิดอยากจะวิค่าเค่งข่าเขาอารมณ์จิตที่หลงไหลใฝ่ฝันเกินพอดีว่าสิ่งที่ถ้ามันจะสลายตัวเราคิดว่ามันจะไม่มสลายตัว เมื่ออารมณ์อย่างนี้เราพยายามคิดว่าอยากให้มันมีในจิตของเรา <c oughs> เื่อการรักการขโมยยื้อแยงทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่น่ะเราก็ไม่ชอบเมื่อเราไม่ชอบชาวบ้านที่ไหนเขาจะชอบเราไปทําเข้ามันก็เกิดสัตรูปเมื่ออารมณ์ที่อยากจะวีค่าเค่งค่าทําร้ายบุคคลอื่นเราถ้าเราคิดกับเราเราชอบไหมล่ะนี่ว่ากันได้อารมณ์โดยตรง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 สามไม่ฉาดิสยาเสงกระสันใครดีพรอยินดีด้วยสีอ่อมเบขาวางเฉยถ้าความแก่มันเข้ามาถึงก็รู้ตัวว่าแก่ไม่ดิ่นรน่นความตายจะเข้ามาถึงก็ไม่หนักใจเพราะรู้อยู่แล้วว่าเกิดมามันจะต้องตายเป็นอันุบาลพรหมถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ไม่ต้องไปเป็นพระพรหมหาะคืบๆอ บ, บอริกัน ถรารูปอย่างนี้มีด้วยกันทุกคนต่างคนต่างมีความรักต่างค น, ต, งคง ต, งคนต่างมีความสงสารต่างคนต่างไม่อิสยาสิ่งกันนี้ช้าอิสยาสิ่งกันแล้กันโลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข์เน้อข้อต่อไปท่านบว่เห็นอริยสัจอีกคขนี้โปรดหัวฟังเป็นภาษาวลีเขาหน่อยโปรดหัวแล้ว อริยสัจนี่ไม่ไว้แล้วพ่อคุณเอ้ยเป็นเรื่องของพระหัน่เขยจะทำกันแต่เปล่านี้เราพูดถึงอริยสัจของชาว บ, บ้านอาริยสัจจะหมายความว่าความจริงที่เป็นปัจจัยให้เกิดความบริสุทธิ์ถ้าแปลซะแบบนี้มันก็สบาย ไม่ใช่ว่าอริยสัจความจริงที่ทําตนบอกคนให้เป็นพระอริยเจา้านอนต้องไปพูดกับพระเอากันอย่าง ส, มสมบายพระในไปพูดกับแกเขา้าที่แกก็ไม่รู้เหมือนกันพระแกบวชเข้ามาจะบอกแ ก, กมีศินสองรอยี่สิบเจ็ดบางองค์ไปดูศินห้าไม่มีก็มีนิว่ากันบางองค์นะไม่มีแม้แต่ศินห้าแต่สินสองร้อยี่สิบเจ็ดก็มีแล้วไม่มีก็ไม่รู้ นี่ดีพูดนี่ไม่ใช่นินทากันมันเป็นความจริงนี่เราเห็นอริยสัจได้เห็นยังไงสัจจะความจริงที่เข้าถึงความบริสุทธิ์ก็นั่งนึกดูที่อะไรน้อที่ทําให้เราเป็นผู้บริสุทธิ์โลกนี้เขาต้องการคนเช่นไรหนึ่ง โลกนี้ทั้งโลกไม่ต้องการคนใจร้ายที่ว่าทั้งโลกก็บพ่ออะไรไปถามดิไปถามคนทั้งโลกว่าต้องการคนใจร้ายเจอหน้าชกเจอหน้ายิงเจอหน้าฟันเจอหน้าแทงเจอหน้าเตะเปะซอกเขาไม่ยังเจอหน้ากันเข้าอย่างนี้เ้าทำอย่างนั้นชาวโลกต้องการไห ถ้าถามด้วยความใจจริงแต่คนนั้นเขาไม่บาเขาก็ตอบว่าไม่เอาแล้วอีรูปนี้ไม่เอาต้องการอย่างเดียวคนที่รักฉันจ้ะนี่ๆเมื่อเรามีอริยสัจวิ ร, รารักษาความจริงที่เป็นปัจจัยของความสุขต่างคนต่างก็ไม่โหดร้ายข้าประหัทประหาซึ่งกันและกัน อันหนึ่งอริยสัตว์ที่เป็นทําให้โลกมีความสุขก็ต้องเราต้องการรักษาทรัพย์สินของเราโดยไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งมารักขโมยมาวมาคดมาโกงเราเห็นประโยชน์ในส่วนนี้ทุกคนต่างเห็นต่างประโยชน์ในส่วนนี้ก็ต่างคนต่างยอมรักษาสิทธิสิ่งอะไรกันไม่ด้านทรัพย์สินต่างๆไม่คดไม่โกงไม่ยือ้อไม่แย่งใคร ไม่ใช่มาออกอากาศออกโทรทัศน์ไว้ฉันไม่โกงฉันไม่โกงฉันบริสุทธิ์พูดฟองแต่ที่ไหนได้เลือเพลบเดียวรวยกันเป็นร้อยล้านพันล้านความจริงนั่นก็ไม่ได้โกงแต่ได้มาโดยการไม่บริสุทธิ์นี่เป็นข่าวเล่าลือมาหลายสิบปีแล้วพคนนั้นตายไปหมดแล้วตายหมดเคยดินข่าวแหมเวลาจะเข้ามาบริหารประเทศ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 ถ้าสัตว์ตัวหลังก็ต้องเป็นสัตว์วะอริยสัตต์วะหมายความบริสุทธิ์อย่างสัตติชนไม่เป็นเรื่องแบบนี้ไม่เป็นเรื่องไม่ใช่อริยสัต์การเห็นอริยสัต์ในที่นี้ก็ต้องเห็นว่าการยื้อแย้งสิ่งกันลกกันมันไม่ดีถ้าเราถูกเขับาบางแบบนี้นี่เราไม่ชอบต่างคนต่างก็ไม่ทํากัน อย่างนี้ชื่อไปเห็นอริยสัจยอมรับนับถือในสิทธิทรัพย์สินซึ่งกันและกันไม่คดไม่โกงไม่ลักไม่ขโมยกันอริยสัจที่ 3, สามสหรับชาวบ้านเราก็รู้จักความจริงที่ทำให้เราไปพผู้บริสุทธิ์คือเมื่อยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นนี่ก็ฟังกันมาแล้วในอริยสัจข้อที่สของชาวบ้าน เป็นความจริงที่เราต้องการกันถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก็คือหนึ่งต่างคนต่างไม่พูดโกหกโมเทสพูดแต่ความจริงสองต่างคนต่างไม่พูดคําหยาบพูดแต่วาจาไพเราะสนองสดเป็นที่รักเป็นที่ลื่นหูพูดแล้วผู้พูดก็สบายใจผู้ฟังก็สบายใจสวาจาที่พูดไป เราก็ไม่ตองการเขาก็ไม่ตองการทั้งหมดในต่างคนต่างไม่ตองการนั่นก็คือวาจาที่สร้างความแตกราสิ่งกันละกัน 4. วาจาเป็นที่สะเือนใจชาวบ้านทั้งเราและเขาต่างคนต่างไม่ชอบใจวาจาสีร่รายการนี้เราไม่ชอบใจเขาก็ไม่ชอบใจคนนั้งโลกก็ไม่ชอบใจเราก็รักษาสัจจะนี้ไว้ให้เป็นอริยะคือใช้วาจาให้บริสุทธิ์ พูดแต่ความจริงพูดแต่วาจาที่อ่อนหวานพูดแต่วาจาที่เกิดประโยชน์ในความสามัคคีพูดแต่วาจาดีที่ไม่เสเถือนใจอย่างนี้โรคจะเป็นสุขและเป็นทุกข์และอริยสัจข้อสุดท้ายก็คืออย่าทำจิตใจใขาดสติสัมปชัญญะดยการดื่มสุราได้ไหมไร ว่าทพูดมาแล้วในการดื่มสุราดื่เมรัยไม่กลัวใครทั้งหมดแม้แต่คุกตารางก็ยังไม่กลัวดีไม่ดีก็จําใครไม่ได้หมดพ่อแม่ก็คิดว่าเป็นลูกฟุตบอลไปก็มีบางทีพัญญาบุตรเป็นที่รักบุตรเป็นที่รักพเพราะดื่มสุราเมรัยเราเห็นพัญญาเระบุตรเป็นฟุตบอลไปสักไเยอะแต่ดีไม่ดีฟุตบอลเกิดมีหนำาำเธอเกยดีนข่าวไปซ้อมเธอเข้า บ่อยๆแต่ก็ปืนนวดไปเสียตายหลายรายไปแล้วนี่เพื่อการดื่มสุราเม่ไรเป็นปัจจัยอาลัมแม่ได้ขั้นสุดท้ายได้กล่าวว่าจงทำพระนิพพานให้แจงไม่แจว๋วจะไปนิพพานกันไหมล่ะนิพพานตัวนี้ที่เราพูดกันนี่พูดกับชาวโลก ชาวโลกไปนิพานก็นได้ก็ท่นิพานของชาวโลกมันจะไปยากลำบากอะไรรู้จักนิพานของชาวโลกไหมไปเที่ยวนิพา น, นสักทีดีไหมคนฟังยาพิ่งปิดสถายาพิ่งปิดเครื่องรับเท่ะหโอโหนี่เตลียมจะปิดวิทยุกันอยู่แล้วทีเนี้ย พอจะชวนไปนี่พายจะยปิดวิทยุบอกไปยังไงจะไปโทรโลกยังเล็กอยู่นี่เมียยังไม่มีอะไรอยกินถั่วยังมีความลําบากโอ้ไอเจ้านี่เจ้าสินก็ยังทวงโอ๊้มันยากลําบากเหลือเกินเนี่ยไปนี่พายก็นยังไงไปไม่ไหวแล้วบอกคุณแม่คุณเนยดีไม่ดีก็จะตะโกนร้องออกมาบอกนี่ตาตาคนดีพูดเนี่ยแกพูดอะไรหลับหูหลับตาพูดได้ ย, ยังไง จะมาชวนชาวบ้านไปนิพพานจะไปไหมไหมก็ต้องตอบว่าไหวสิเราไปนิพพานกันนี่มาพูดถึงนิพพานเขาวบ้านนะไม่ใช่นิพพานของชาววัด น, นี่นิพพานก็มีหลายอย่างจะเอาไอ้คนอยู่บ้านจะให้ไปพูดอย่างคนอยู่วัดให้ปฏิบัติอย่างคนอยู่วัด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 พระที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาดันอยากจะร้องเพลงเข้ามาสิเม่ร้องเพลงในใครเขาจ้างร้องนะพระเนี่ยไม่มีใครเขาจ้างไปร้องเพลงมันก็ไม่ถูกนวันนี้เราพูดกับชาวโลกก็วชวนชาวโลกมานิพนธ์ไปไหมไปหรือไม่ไปฟังเรื่องราวของนิพนธ์ชาวโลกกันก่อนนิพนธ์แปลว่า ด, ดับ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 ประเพณีนิยมบอกว่าสิ่งนี้เป็นความชั่วพวกเราจะทากันประเพณีนิยมนี้ย่อมไม่เหมือนกันแต่ละเขตอย่างนี้เป็นความชั่วพวกเราจงอย่าทําถ้าทําแล้วมันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์จะต้องแตกราวกันเราก็ไม่ทํามันเสียสินี่กดข้อบังคับของหมู่คณะใด วางไว้ไว้อย่างไหนมันเป็นความชั่วจงอย่าทาเราก็ไม่ทำประเทศใดวางกฎหมายไว้อย่างไรให้ยอมรับนับถือซึ่งกันในกันตามกฎหมายเราก็ปฏิบัติตามนั้นกฎหมายของโลกวางไวอย่างไงเราปฏิบัติตามกฎหมายของโลกอย่างนี้เรียกวันดับคือนิพพาน ดับความฝ่าฝืนกฎข้อบังคับและประเพณีอย่าลืมนะนิพพานนี่ครับระว่ดดับนิพพานไม่ได้แปลว่าศูนย์ดับอะไรดับอารมณ์ของความชั่วเป็นระเการดับในที่นี้หมายถึงว่าจิตเราไม่ยอมคิดจะฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศกฎข้อบังคับของหมู่นนะ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 และเลี้ยงเหลืออีกแปด0มื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเรื่องในเก้าสิเก้าผู้ขอทีองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำเพื่อให้โลกเป็นสุขอรันรรดาท่านผู้รับฟังท่านรับฟังไปแล้วทั้งหมดจึงไปกำหนดตั้งใจคิดว่าองค์สมเด็จพระธรรมสามมิตรที่สอนไว้ที่เรียกกันว่าพระพุทธศาสนา ถ้าคนทุกคนทําได้จะมีความสุขหรือจะมีความทุกข์โลกนี้จะเต็มไปได้วยความสุขและโลกนี้จะเต็มไปได้วยความทุกข์ด้วยความเดือดร้อนสําหรับวันนี้ก็ขอลา ก, ก่อนแล้วก็ขอลาในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาช่วยโลกและประเทด้วยเมื่อมันจบแล้วขอท่านผู้รับฟังทุกท่านจะมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ูผล และจงเจริญไปด้วยจาตูรพิธาพรชัยทั้ง4ี่ริการมีอายุวันณะสุขะพระละปฏิพานหากทุกท่านมีความประสงค์เสียงใดก็ค่อยได้เสียงนั้นสงความปรารถนาจงทุ ป, ประการสวัสดี